มันนี่จะเทศสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งอันเดียวเสียงอันพวงมดมารวมมันเดียวเท่าก่อนเรีสําเร็จถ้าหาก็ไม่รวมในที่เดียวแล้วไม่สําเร็จในการที่สําเร็จนั้นจะเป็นไปรูปไหนก็นแล้วแต่แต่ก็ให้ต้องรวมเท่าก่อนไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมเหมือนกันทั้งนั้น อันเดียวกันเอาดูใกล้ๆตัวของเรานี่แหละธาตุสี่ที่น้ําไปลมประจย์กระจาญเยอะไม่เป็นตนเป็นตัวหรอกเมื่อธาตุสมมาเข้าพร้อมหมุนมวนเมื่อไหลายดาวจึงค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมายังเคยตตเตริญโตเจริญขึ้นมาเดินดำๆอั น, นี้เรื่องธาตุ สิ่งทุกอย่างไม่หนีจากหาดทั้งนั้นถ้หาหา ก, กระจาย ก, กระจายอยู่เป็นเต็นน้ํามั่อก่อนน่นแต่สำเร็จแต่เพียงแค่น้ำํำนนะ่ะก็ไม่มีไปไม่มีลมเป็นดินมันก็สําเร็จแคงแค่ดินนั่นนะ่ะแต่เป็นไม่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาสิ่งนั้นเดียวมันในข้อมูลโมเลกุล บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกันพ่อแม่ลูกเต้าหลายหลายคนมารวมกันเขายังค่อยเป็นบ้านบ้านในหลายบ้านรวมรวมกันเขายังค่อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งจะมีคนหนานคนหนึ่งหลายหมู่บ้านรวมกันเขายังค่อยเป็นตำบลก็มีนาตำบลคนหนึ่ง หลาตำบลมันรวมมบางข้าก็เป็ น, นำอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆสามเรื่องก็เป็นขัน้นเป็นตอนอไปกันนี่ยในทางธรรมะก็เช่นเดียวกันที่เลสต่างๆมันไม่รวมกันเมื่อไหรประจัดกระจายกันอยู่ไม่พร้อมูลบริบูรณ์เมื่อไหร่ ทก็ไ ม, ม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดที่ท่านเรียกว่ามรรคคัตมังคีพิจิตที่คน้นควาแสวงหาเรื่องมรรคเรื่องมรรคต่างๆนะเดี่ยควค้นควาปฏิบัติหาเหตุท้าผลเรื่องราวต่างๆ จึงรวมในที่เดียวรวมที่เดียวฉะนั้นจึงเดียวมกมัดค้าตรมังคียังไข่ฟ้ะหัดป้าหานกิเลสทั้งหลายได้แต่ละมกกัดาะ ม, ามัดนั้นก็รวมก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันคนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได้คือไป ตามจะเรื่องของกิเลสกิเลสเป็นไปต่างๆนานาโลกโมทสัมเทประการต่างๆกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างกระจัดกระจายทันอยู่ไม่รู้จากมูลฐานของกิเลสไม่ดูไม่ดูจากทิศตั้งของกิเลสมันก็ละไม่ได้ กิเลสมันมากมายเรารู้ชื่อมันก็มีไม่รู้ชื่อก็มีเอาเลยเอาเธอถึงจะรู้ชื่อมา ร, รู้ชื่อก็เอาละความเศ้าหมองเรียกว่ากิเลสมันําจิตใจของเราให้ไม่ผองใสนั่นแหละเป็นกิเลสชื่ออะไรก็ตามมันเราไปเรียศึกษาเราเรียนมาก พอให้รู้เรื่องจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองแล้วก็พอกันความเศร้าหมองนี่ใชอย่างใดใช้แตความผ่องใสความเศร้าหมองมังมงมมงมนชำระโดยประการยังไงแต่แล้วเตลวายเขาตกล่ะอย่า ง, างาผมโกรธเกดิเกดขึ้นมาอย่างนี้นะเศร้าหมองไม่ผองใสจิตใจไปเบิก บ, บาน เราต้องการอยากจะให้เบิกบานทํายังไงคิดถึงเรื่องที่เรายังไม่ไม่ทั้งโกรธทาไมมันยังเบิกบานทําไมมันยังคลองใส่ยิ้มแยกก้มใจแต่ทําไมโกรธมันยังไม่คลองใส่คิดเอานั้นะเป็ น, เ ป, นเป็นเกณฑ์เรายังทำมันทำใจของเราอย่างที่มันไม่โกรธน่ะไม่ไม่โกร ธ, กรธ น, นั่นเอง ที่เลรเน่ยไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่อยู่เฉพาะคนอยู่ทั่วไปหมดไครโกรธมันก็วิ่งเข้ามาหาไครรอบมันก็วิ่งเข้ามาหาไครหลงก็วิ่งเข้ามาหามันอยู่ทั่วไปหมดนะนี่วิ่งเข้ามาหาตัวใจนั่นแ่ละจึงว่ามันรวมที่ใจ ถ้าเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นตัวกิเลสเราพิจารณาชำระใจของเราให้ผ่องใสจริงจใจจริงใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเอาปกติธรรมดาเนี่ยไอ้แล้วลึกถึงเรื่องปกติธรรมดาเนะ น, นเมื่อหองใส อยู่ปกติธรวดามันไม่โกรธได้ความสุขความสบายชอบใจไต่ทีนั้นมันโกรธมันน้มืดนมิด ม, ด, ม, ด, มดทุกสิ่งทุกอย่างหาทางออกไม่ได้ยิ่งดีก็ยิ่งผูกมัดกับทุกทีนาจะมาพูดได้ฟังเหมือนกะลีนเนี่ยเนะี่ย เรียงจิตตั้งนั่นแต่มาพูดได้ฟังน่นเรียงจิดตั้งนั้ น, น, นบางคนอาจจะอาจจะไม่รู้ก็ได้คือตัง้งนั่นน่นเข้ายางไม้บังหูมัเชี่ยวของใส่เข้ายางไม้บางอย่างไม้อะไรก็ เ, เอาเถอะบักมาอะไรมากๆแล้วกว็เอาหนึ่งยางใส่เอาไปตั้งไป เขี่ยวพมันก็เหนียวแต่ว่าถ้าหาเขี่ยวใส่น้ำมยางน้อยมันก็แข็งแข็งเกินไปไม่ติดใส่น้ำมยางมากก็เหนียวทำไมมันก็เหลยวเกินไปมันก็ย้อยทำให้พอดีพอดีคำว่าเลียงติดตังนั่นเลียงมันชอบไข่ ชอาไข่ไก่อันนี้เขาก็ไปเจะเอาไหนไข่เอาไข่ในข้างหนออกแล้วก็เอายางนั้น ไ, ไปยัดเข้าในไข่ลิงที่มันเคยมากินขขากินเครื่องไร่ของสวนเขามาเคยมาตรงไหนเขาก็เอาไข่เนี่ยไปวางไว้ตรงนั้น่ะ แจ้าเลียงไม่เห็นเขาไปชอบใจ้เรื่องไข่จับบี้เลยแล้วติดมือสิจับไปบี้มันไข่มืนกติดไอ้ยางก็ติดมือสกิก็ไข่แตกมือขวาจับติดเหนียวออมือซ้ายจะมาช่วยกันขาวนี้มาช่วยจะปัดออกมือซ้ายจะติดเข้าอีก สองมืออะค่ะนี่ตีนขวาตีนซ้ายเลจะควักเอายางให้ออกจากมือไป ต, ติดทั้งมือทั้งตีนนะคะนี่ยังเหลือเดี๋ยปากปากอากาศเธอติดเข้าด้ยกันหมดนั่นอะไรเรียกว่าลิงติดตังความโลภโง่โกงหลงและกิเลสทั้งหลาย จะให้มันหน้ำใจครับโกรธเขาเกลียดเขาโรคโอทุูสั น, นอะไรต่างๆให้มันหน้ำใจทํำง่ายอยี้ให้มันหน้ำใ จ, ำในนำใจโกรธว่าดา่าพอตัดพ่อเขาด้วยประกาศต่างๆยิ่งผูกมัดยิ่งแน่นหนาเขาทุกปีตวัวงเรายิ่งเศร้าหมองมาทุกครั้งทุกในทุกปีทุกปีเขาเลยไม่มีทางออก มันในเรียกว่าลิงจิตตังคนเรามันมีเวลาสบายในเมื่อไมันไม่มีโกรดไม่โลภไม่หลงมันก็สบายอยู่เนี่ยสิ่งที่มันมมันที่มันสบายมันเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภไม่โกรดไม่หลงนั่นแหละมันสบายถ้ามันโลภมันโกรดลงอ จิตแน่นมัดทุกสิ่งทุกอย่างไ ม, ไ, มไม่โกลไม่โลภไม่โกรธงหลงจะไม่ดีหรือทางน่ะแต่มันอดไม่ได้ทีเดียวความโลภ ค, ความโกรธของหลงเอาเลิศเอาได้ความโกรธเถอะมันเกิดจากความไม่พอใจเหตุครงวันที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดจากไม่พอใจ เหนจริงจริงเลยพิดหูพิดตตาหมดพิดใจหมดอันนี่นก็พูดถึงใจเหมือนกันคิดหูพิดตามไม่ถูกหูไม่ถูกหู ถ, กถูกตาแตใจนั่นเนี่ยมันไม่ถูกใจเองน่ะเนี่ยท่านทมีใจแล้วหูวตาไม่เป็นประโยชน์ได้รหรอกหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแต่ตัวใจตัวเดียวนั่นเน่ย ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจกันมันก็ขุนนะคะับคุนแล้วก็ไม่เห็นอะไรเละเมื่อขุนมันก็มัวมันก็เศร้าหวมงมัดความโกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมประหารจิตแจงขนให้เป็นจุนวิจุนวเวรประการตา่าง ยงให้หาหลักคือใจแต่ก่อนเรื่องของสัมพันธ์คนที่ทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจกทั้งหลายในโลกที้ทั้งหมดเกิดจากใจที่เป็นตนเป็นตัววิ่งเต้นไตามโลกอันนี้มือพลิกไว้เคลื่อนไปมาอยู่ในโลกอันนี้ล้วนได้ตียมีได้ใจนั่นะ ถ้ามีใจไม่ไม่เคลื่อนไหวจริงตัวหรอกใจตัวนั้นแหละเป็นเหตุใครก็พูดทุกคนทุกคนนั่นะ เ, เรื่องใจแต่้าไม่เห็นใจทักทีไม่ถูกใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจดีใจอะไรพูดถึงใจงั้นน่ะ ุทธนารนาของเราจึงว่าสอนถึงใจไม่ได้สอนที่อื่นนอกกสอนที่ใจนั่นทำบุญสุนทานด้ประการาต่างๆใจนั่นะใจเกิดศรัทธาเจตใจเกิดศรัทธาเรื่องใจไม่ค่อยจ้าค้าวุาาา่นจ่าสมุติมนเรียกว่าใจ ใจวุ่นใจผู้สนไม่ค่อยทำทานนี่เจตนางดเว้นจากข้อนานายเรียว ร, ร, พรพกักษาจิตทาระมาธ่ภาวนาก่อรักษาความใจในเรื่องศาสนาพูดถึงใจอย่างนี้ปัญญาก็ตัวใจ น, นั่นแหละ รวมความเรียกว่าศาสนาโดยสรุปรวมเรีวชินสมาธิปัญญาพูดในเรื่องชินสมาธิปัญญาไม่พูดถึงเรื่องใจแต่หากพูดชินสมาธิปัญญามันจะมีอะไรกับพอาใจก็ยังอธิบายมาแล้ว อาหาก็ถึงใจเมื่อใดแล้วถึงศาสนาเมื่อนั้นแล้วพุ้าอใจตัสรู้กับอิตัสรู้ที่หัวใจของโปร่งพระไทยข้องโปร่นั่นเองพอจะไปตกนรกหมุนหมุนก็เพราะใจนั่นเองเต้าหมองจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็เพราะเหตุที่ใจนั่นเองฟองใสสะอาด จริงว่าจริงนะพวงหมดในโลกนี้ถ้าไม่ถึงไม่รวมใจแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ทํามากินทุกสิ่งทุกประการก็ลองคิดดูทีจะเป็ียนก็ได้แต่การจะนายด้เป็นค้าววานิชกิจกรรมที่ก่อนทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปเถอะ ในมากมา่หลายคันถ้าหาไม่ไมาไม่มารับประทานก็ไม่สำเร็จในมากก็แสดกับมารับประทานตอนเขาไปในฝั่งนี่แหละพอลืนเข้าไปในลำคอแล้ว ม, มดเรื่องสำเร็จเถนี้ปฏิบัติธรรมะําสอ ง, องพระเจ้าสามเงินกัน ที่บ้าิมากมายทั้ง อ, อะไรทิจนารอบครอบรอบด้านมารวมมืงที่ใจคือเป็นสมาธิภาวนานั้นแหะเกิดปัญญาทีต่ตรงนั้นแหละตรง น, นั้นบนบนฐานนั่นแหะเป็นสมาธิภาวนาเท่ากับนแน่ๆขอสมาธิภาวนานั่นแหละตัวฐานนั่นแ่ะตัวอิ่มน่นแหละมันจะอิ่มอิ่ ม, มเองหรอกมันเกิดปัญญาอบายมันไเกิดเองมนันหรอ เหมือนเงินเกิดของภายนอกของภายในเดียวกันโลกกับธรรมันเดียวกันเป็นแต่พิจารณาเรื่องโลกมันไม่รวมแต่มันรวม่ในตัวเรื่องต่างๆมันรวมเนี่ยแต่ว่าเราไม่รวมอันนั้นเรีย ก, กว่าโลกมันธรรมนี่พิจารณาเข้ามารวมมาทีเดียวรวมที่หัวใจแห่งเดียว มันจะเกิอดอุบายปัญญาก็ตามหรือไม่เคยเกิดจังเรียกว่าเป็นธรรมถ้าหาว่าเกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาในใจนั่นเป็นธรรมแท้ทีเดียวนะเอาละอธิบายแลยนะ้วนั่งสมาธิทำภาวนาเบื้องตน้นคนที่ยังไม่เคยทำหรือเคยทำมาแล้ว อาจจะไม่แน่ใจก็ได้ต้องทำสมาธิภานาด้วยคำปฏิกรรมเช่นก่อนเบื้องต้ น, ตนคำปริกรรมเช่นอนาปาาติตระลึกถึงลงมหายใจเข้าออกนนี่เป็นเครื่องล่อสำหรับให้จิตมาอยู่จิตอยู่กับอันนั้นแหละ จิตต้องมีตนมีตัวถ้ามันอยู่คนเดียวเสียก่อนให้เชื่อมันว่าทำบริกรรมอันนี้เป็นของดีทำบริกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นค้นหาค้นหาจิตไม่ได้จะไปหาที่ไหนก็มาเห็นตนเันตัวจึงใช้กรรมบริกรรมเอานาปาสติ เราหายใจเข้าออกแล้วของคำไอ้อนาปารสตินี้ก็เป็นของดีด้วยคือว่าหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกหายใจออกแล้วมันหายใจเข้ามันก็ตายมันเห็นควานตายในตัวมันเห็นใกล้ที่สุด พอนึกถึงความตายพอนึกถึงลมหายใจมันก็วางหมดทุกริง่งทุกอย่างมันกลัวตายมันจะไปตรงสายไปทำไมมันก็ต้องอยู่กับที่ดิ<ม>นั่นแหละทีกว่าจิ<ม>เป็นสมาธิอยู่พักหนึ่งจะก่อนนะคือไม่อยู่ในความรีกระคารนี้เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นแล้ว ผู้ที่อิจมันอยู่นะนะ่น่ะผู้ที่ในคำบริกรรมนั่ะอิจอันหนึ่งคำบริกรรมหนึ่งคำบริกรรมคือผู้นึกผู้คิดทิ้งลมหายใจเข้าออกคือความตาย น, นั่นเป็นกคำบริกรรมที่มันอนาณาปารสเสดียมันคำบริกรรมผู้นึกคิดเนินน่ะนะเป็นคําเป็นเป็นพู้ไงเป็นใจเป็นจิต คิดนึกสงสยัยสารพัดทุกอย่างปรงแต่งทุกประกาศไม่หยุดไม่อย่อยางคนเราอยู่คงที่ไม่ได้มีคิดต้องต้องคิดต้องนึกพูก ค, คิดพวกนึกอย่างนี้นตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรื่องของมันเอาสติไปคุมสติมาจากไหนอ่ะมาจากใจอันเดียวกันนั่นแนหะ คุ้มจิตกับใจอันเนี้ยจิตใจเดียวกันน่ะแต่ว่าลักษณะมันต่างกันสติคือผู้ระวงังคือผู้กำหนดรู้อยู่รู้อยู่น่ะเรียกว่าสติควบคุมยังไงเรียกว่าสติจิตนั่นคือผู้เราไปควบคุมจิตที่เราปกลัเราไปควบคุมจิต สติเป็ก็คนคว้คุมพอพีจารณาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วนันสิ่งที่มันส่งมันก็น้อยเราไปน้อยเราไ ป, เ, าไปเมื่อจิตควบคุมเมื่อสติควบคุมจิตอยู่มันก็ น, น้อยเราไปนี่นคนนี้เจ๋งเจะหายเงียบไปความคิดอย่นะ้นคิดไม่มีราคานี้มีได้สติ จะกลายเป็นใจจิตดะกลายเป็นใจใจคือผู้อยู่คือผู้เฉยเฉยมีความรู้สึกเฉยเฉยอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ไม่สงสยัยอันนั้นเรียกว่าใจมันออกมาจากใจทั้งหมดสติกัวใจจิตก็ออกมาจากใจ รักษาตัวนั้นไว้ถ้ามันอยู่เฉยๆยังใช่ก่อนเป็นกลางๆอยู่ความเป็นกลางของว่างของเปล่าไม่คิดสงสายไปมาหน้าหลังมาหน้าในดวใจนั่นแหละเห็นเห็นใจราคานี้เมื่อเห็นใจแล้วจะนั่งสมาธิอยู่ก็ดีมองเห็นใจยอยู่ตออลอดเวลา ที่มองเห็นนั้นใครบางคนมองเห็นนะ่ะกระจายนั่นแหะมองเห็นใจยืนเดินนั่งนอนเห็นอยู่ทักิริยาบททําการทํางานอะไรต่างก็เห็นอยู่อันนี้ใจเรียนใจเราขานี่ดูด้วยอากามอย่างนี่ไปเรื่อยไปฮัตอย่างนี้มันชำนี่ชำนานหาตอย่างนี้ในทุกิรยาบท เรื่องจิตหนึ่งต่างไม่มากระทบลองดูค่ะนี่อย่างคามโกรธความหลงใครว่าดูถู ก, ด, ถกดูหมิ่นยินทาสารพัทุกอย่างคันทักเข้าเรื่องตัวนั้นแล้วไ ม, ไม่ถึงใจแล้วไม่ไม่ถึงใจหรอกจิงต่างเราเรานั้นไม่ถึงใจหรอกอันนี้มันถึงใจอยู่เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นจิตมันไปรับเอาอของน่น อพรุ่งันแต่งมากิตมาเลียงนนแล้วมันยัค่อยโกรธมันโลภโกโลงทัเข้าทั้งตัวใจแล้วไม่มีอะไรทันยังว่าจิตตังกับพัสรังจิตเป็นของพองใสอยู่ทุกเมื่ออาคารทุกเยี่ยงเจี่จะเห็นกิเลสเป็นของจรมาคือมานับรู้ออกกิเลสอันเี้กับพุจิตแล้วมันวิ่งออกไปรับรู้ออก มันน่าจะเป็นจิตจอดมาใจของคนเราเป็นของฝองสายวริสุทธิอยู่แต่ไหนแต่ไรมาฝ่องสายที่จะไปทำทําไมทํำสมาธิเพราะหนาไงหาก็มีปัญหาถามนะมันพองใสายเฉยเฉยธรรมดาฝ่องใจแต่หากมันกิเลสมันมีคิตตัวนั้นยังไงไปเอากิเลสมาคุมเครือไปมุดมายืดมีดไปมด แต่โดยใจแท้ฟองใสงั้นจะเพชรที่อยู่ในดินเคสเนื้อดีทีแท้แนละ้วมันต้องอยู่ในดินอาใสดินนั่นแหละอยู่นั้นที่มันว่าหมอนเสารหมอนพ่อครีนเมื่ออกแต่ตัวเพชรน้ําเพชรจะแท้มันไม่มีอะไรหรอกฟองใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะเหตุนี้แหละทุกๆคนยังสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้ให้ถึงว่าคนนี้ผ่านได้ถ้าหากจิตนั้นเศร้าหมองเสียแล้วไม่สามารถทําได้หรอกให้ถึงว่าคนนี้ผ่านได้จิตเ่า้าหมองไม่ทาได้ไง่าอย่างนิ้นเผางี้นะลองดูสิเล็กๆนี่ มันไม่สะอาดไน่โปร่งใสจะขุดมาล้างทัศนัยจะขุดมาคัดมาเกาทัศนัยมันก็ยังเมาะต้องมองให้ปร่งใสอย่างเดีเพราะขอให้ปร่งใสอย่างนั้นยั ง, นนยงว่าเมื่อเข้าถึงใจแล้วนะมันใกล้แล้วนะ่ทเข้าถึงความปร่งใสแล้วมันใกล้มันใกล้จะเห็นเห็นเงาของตนนะ่ะเห็นดวงของ ต, องตนนะ่ะ กิเลสทั้งหลาเกิดขึ้นมาเห็นตรงนั้นแหละชำระสร้างให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จาตรงนั้นแหละสะอาดบริสุทธิ์ได้เป็นบางข้ามาข่าวไปอย่างดีสะอาดได้นานนานถ้าทำอาชีพทำงานมันก็เป็นประโยชน์แก่เราชนะชำระทำงานถทำอยู่คงที่มันก็ดีวิเศษมันก็พ้นจากมนุษย์ของเราได้ทันทีเอาละอธิบาย ทำ